ดูฟังสักหน่อยนะอุตส่าห์มาระจะทางไกลนั่งตามสบายการฟังธรรมะไม่ส่องปิดนมมือก็ได้เปินมพอเป็นพิธีแล้วก็เก็บเอาไว้ตามสบายของตัวเปิดนมมือก็เดียวยุ่งกับการเปินมมือปวดแขนยกขึ้นยกลงถนอมนานๆเยอะก็ มือตกลงไปตกลงไปก็ทําให้ลาคาญใจยกขึ้นอย่างนะ้จิตไม่สงบให้ยค่จิตจิตไปอย่างหนอกฉะนั้นการนั่งฟังธรรมะสมัยพุทธกาลก็ดีด้วยครูอาจารย์สายกรรมาฐานท่านอบรมต่างท่านต่างคนก่อต่างนั่งสงบจิตของตัวฟังท่านสแสดงไปท่านจ ะ, สะแสดงอะไร เป็นอาที่ของท่านที่สแสดงให้ฟังเราเป็นผู้ฟังฟังไปอะไรที่มันไปสัมผัสกับจิตทําให้จิตสาะสงก็จําเอาสิ่งนั้นไม่ใช่จะฟังให้จําได้ทุกถ้อยทุกคําไป <c oughs> จะผู้แสดงเองก็เหมือนกันพอสแสดงไปแล้วก็หมดไปไม่ต่าบว่าสแสดงอะไรสู่พระวัวผัวฝูงฟังโดยส่วนใหญ่ การแสดงธรรมะด้านปฏิบัติเป็นอย่างนั้นในเหมือนพวกที่ศึกษาสําหรับตํารามาพวกนั้นเขาจํากันมามีอะไรก็พูดตามตาหรับตําราพูดอยู่กี่ครั้งกี่หนก็ของเก่าเกี่ยวกับารฟังธรรมะปฏิบัตินั้นมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันท่านก็พูดสู่ฟังถ้าไม่มีก็จบไปถต่มันมีมากก็พูดได้มาก มีน้อยก็ผู่ใดน้อยบางทีมันไม่มีก็ปิดเลยบางทีมันเกิดขึ้นพุ่งขึ้นเต็มที่เต็มฐานนี่ปากกรอบทีสาะก็พูดใดทุกปากแล้วแต่ระยะเหตุการณ์ที่มันจะขึ้นฉะนั้นเราผู้ฟังก็เป็นหน้าที่ฟังตั้งใจทำความสงบระยะที่ฟังเพราะจิตการหน้าที่จะทำโดยกายจะพูดด้โดยวาจาไม่มี นี่แต่รักษาจิตของตัวไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกรักษาเอาไว้ให้ธรรมะที่ทแสดงไปสัมผัสกับใจเป็นการกล่อมจิตกลอมใจของตัวให้เย็นให้สงบเพราะเรื่องของธรรมะ <c oughs> เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสตัณหาเป็นเรื่องํำละความชั่ว ฟังโดยการกําหนดจิตใจของตัวจึงไม่ขาดทุนศุนกรมรายจึงไม่ได้ในการจําก่อตามแต่รยะที่ฟังถือว่าเป็นการนัง่งเพาวานาสงบอารมณ์สัญญยาใจมันเย็นใจมันสงบใจมันสบายการนั่งฟังกับบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจให้ใจิตใจตื่นให้ใจิตใจเบิกบานให้ใจิตใจรู้ ในจิตในคําที่สันแสดงไปนี่คือการฟังธรรมะที่ถูกต้องที่ยังไม่มีพื้นฐานกําหนดบทพุโทโธเอาไว้แต่เจูุลที่มีพื้นฐานในจิตในใจถ้าสันแสดงไปสัมผัสสิ่งใดที่เราเคยปฏิบัติของจิตอยู่ในใจไม่เข้าใจในสิ่งนั้นพอสันแสดงไปถึงจิตมันก็จ้องคอยฟัง พอท่านแสดงผ่านไปมันก็ขอใจสองพิจารณาอย่างนั้นต้องกำจัดขับไล่อย่างนั้นเรื่องจิเลตในจิตในใจมันก็จําไปไปฏิบัติหรือบางทีก็ตกไปหล่นไปพอมันเข่อใจในการฟังนี่าการฟังในสมัยพุทธกาลที่ท่านเป็นโสดาสศรษฐาคารหารันเพอท่านตั้งใจฟังอย่างนั้นมันจะฟังจดจําฟังเพื่อจะนํำทำ กำจัดขับไล่ที่เหลือตันหาในใจพวกเราสมัยนี้ฟังธรรมกันอยู่ทุกคน้นทุกแห่งในบ้านกน็เปิดวิทยุฟังกันแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมว่าเป็นอย่างไรยิ่งผููที่ศึกษาด้านนอกไม่คเดยสนใจในธรรมเท่าที่ควรก็ถือว่าธรรมนี้คือล่าสมัยฟังไปก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ทาให้ห่วงเหงาห้าวนอน ทำให้เหนื่อยเมื่อยหิวคิดไปปรุงไปต่างๆนานาเห็นธรรมะเป็นของถือของล่าสมัยไปใจใจของตัวคือล่าสมัยนั้นไม่ค่อยด้ทีนี้พิจารณากันใจที่คือที่ล่าสมัย <c oughs> ธรรมะจึงเข้าไปสัมผัสไม่ได้เพรามันมืดอทึบแสงสว่างเข้าไปไม่ถึงเหมือนถ้ำลึกๆ <c oughs> ดังนั้นเดืองของธรรมะถ้าหากจะที่เจณาตามหรัฐานพิ่เจนาโดยเป็นธรรมจริงจังธรรมะนั้นเป็นของนำสมัยอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าธรรมะสอนพระาว่าไม่ว่าธรรมะสอนนักปฏิบัติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะเป็นเพศใดภูมิใดก่อตามประเทศใดก่าตามชาติไหนก่อตาม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 เพราะธรรมะไม่มีในจิตในใจของเขาเพราะไม่กลัวชั่วเสียต่างๆทําไปได้ตามเรื่องของกิเลสตัณหานี่หมายถึงเรื่องธรรมะไม่มีการล้าสมัยไมเป็นไปตามลมปากของคนคนสี่ประพฤะติปฏิบัติธรรมะถ้าเป็นคารวะก็ปฏิบัติในธรรมะของคารวะมันก็ถูกต้อง ธรรมะของคารวาที่าจารยสอนเอาไว้สัจจะธรรมะทิติจา่ะเป็นธรรมะของคารวาตคารวาตสัทธรรมสัจจะคือความริงใจต่อกันสื่อสารสุดจริตต่อกันคนที่สื่อสารสุดจริตต่อกันริงใจต่อกันนั้น อยู่ในครอบครัวใดไม่มีการทะเลาะบอแหว่งกันมีความสื่อสารสุดจริตต่อกันเชื่อมั่นในกันจะทำงานอะไรมันก็เป็นไปเผื่อความก่้าวหน้าถ้าหากไม่มีความสื่อสารสุดจริตต่อกันโดยเฉพาะสามีภรรยานะถ้าหากไม่มีความจริงใจสื่อสารสุดจริต สามีก็ไปมีเมียน้อยเชียภรรยาก็หาคบคู่ใหม่ไปเสียถึงจะมีเขาของเงินทองมากม า, กายไก่กองอยู่ก่อนเขาของนั้นก่อนักวันจะสิบหายไปไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเพราะเหตุใดเพราะจิตใจมันเสือ่อมจิตใจมันเสียจิตใจมั้นไม่มีธรรมะไม่มีกำลังใจที่จะประกอบการงานต่างๆเพราะเห็น สามีของตัวประพฤติชั่วประพฤติเสียนอกลู่อนอกทางไปหรือเห็นภรรยาของตัวประพฤติชื่วประพฤติเสียไปมีแต่จะเกิดทะเลาะบาแว่งข่าตีกัน <c oughs> อย่าร่างกันนี่คนที่ไม่มีศัจจ์ไม่มีความจริงต่อกันไม่สื่อสาจจรขุ่นจิตต่อกันอยู่ในกลุ่มใดหมู่ใดบ้านใดครัวใดสถานที่นั้น ไม่มีความเหยือกเย็นเป็นสุขให้ถ้ามีความสื่อสารสุจริตต่อกันยิงใจต่อกันครอบครัวนั้นหรือ ก, กลุ่มนั้นประเทศนั้นมันมีคามสามารถมีความปองรองกันดีกลมเกียวกันแล้วประเทศนั้นชุมชนนั้นครอบครัวนั้นนับวันจ ะ, จะเจริญขึ้นถึงของยังไม่มี ก็ค่อยจะมีขึ้นของที่มีอยู่แล้วก่อนับบันเจริญก้าวหน้านี่คือสัจจะทมที่พระพุทธเจ้าสอนคาร ว, วาธรรมมีการข่มใจเพราะคนเรามันจะต้องมีการทะเลาะบ่ า, าบแหว่งกันเป็นธรรมดาอยู่ด้วยกันมันจะถูกใจของตัวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใจใจของตัวเองบาง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 จึง ม, มีการข่มใจเหมือนกันก็เลยถกเถียงกันข่าตีกันเสียหายไปใหญ่ธรรมะจึงเป็นธรรมสำหรับคารวะที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีการข่มใจให้อภัยกันปรับความพอใจให้ถูกต้อง <c oughs> นี่เป็น <c oughs> เรื่องธรรมของคารวะขันติคือมีความอดทน ต่อกันตลอดถึงทําการงานต่างๆจะต้องอดทนต่อสู้ต่อความก้าวหน้าต่อความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆไม่ทอดทิ้งต่างหน้าต่างตาบากบั่นมีมานะอดทนทําจริงทําจังมีเรียกว่าขันติคือความอดทนถ้า ม, มีความอดทน พอถูกแดดถูกฝนถูกร้อนถูกหนาวนิดๆหน่อยๆหรือการงานยุ่งยากก็ปล่อยทิ้งละทิ้งไปเสียการงานมันก็ไม่เจริญเก่าหน้าจากะคือยอมเสียสละ <c oughs> ทางด่านวัตถุทางด่านนามธรรมไม่ได้ปณีเหนียวแน่นงหงแหนเฉพาะตัว ได้อะไรมาถ้าสัญญาได้มากก่าบริโภคแต่ตัวตายสอยแต่ตัวสามีได้มากก่าไม่มีการเสรียเพื่อแผ่ไม่มีการแบ่งปันไม่มีจาคะอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขนอกจากนั้นจาคะทางภายในนามธรรมคือด่านจิตใจก็ทำนองเดียวกันอีกเหมือนกันยอมเสียสละกทิฏฐิมานะ ความเห็นต่างๆนาะนาผิดมันขัดแย่งกันปล่อยไปละไปถอนไปใจมันก็อยู่ด้วยกันได้สงบสบายนี่คือเรื่องธรรมของคารวาที่ควรนำไปประพฤติปฏิบัติในครอบครัวถ้าครอบครัวใดมีธรรมประจําใจอย่างนั้นครอบครัวนั้นก็มีความมั่นคงมีความ สุขความสบายตามฐานหน้าที่ถ้าไม่มีทรรมประจำแล้วมันก็ยุ่งลำบากยิ่งทรรมของบรรพชิตของนักบวชก็เป็นทรรมละเอียดเข้าไปทรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจึงไม่คลือไม่ลาสมัยเราพิจารณาดูอย่างศีลสมาธิปัญญานี่คือหลักของศาสนา พุทธศาสนามีหลักอยู่สามขอ้อคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไลาสิกขาคือสิกขาที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้ขอใจถ้าหากศีลสมาธิปัญญาเป็นของคลื่ของล่าสมัยในทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้ว <c oughs> คนที่ไม่มีาศาสนาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เพาทันสมัยถ้ามันเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะต้องล่มจมแตกสลายอยู่ดดวยกันไม่ได้เพราะขาดหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นขีนห้าข้อที่ท่านกล่าวเอาไว้ปานาติบาคือการไม่ข้ากันไม่ตีกันอยู่ดดวยกัน ด้วยความสามาัคคีเมตาอารีต่อกันนี่ถ้าไม่ข้ากันตีกันเราก็ไม่ต้องยุ่งยากลาบากในการหาอาวุธยุดโทร ก, กรณกต่างๆมาป้องกันประเทศชาติหรือในบ้านในช่องของเราก็ไม่ต้องหามาอาวุธต่างๆน้านไม่ต้องซื้อให้เสียเงินพอไปที่ใดก็ไม่มีใคร ้าเลาบอแว่งไม่มีใครอิจฉาข่าตีแด้วคนข่าตีกันไปที่ไหนก็นมีแต่ข่าแต่ต่อยเขาเตะเขาทาร้ายเขาคนอย่างนั้นมันทันสมัยหรือเปล่าให้พี่าจนาดูถ้าเราไปต่อยเขาตีเขาแทนที่เขาจะกราบจะไหวเขาจะว่าดีพิเศษไม่เขาจะต้องต่อยคืน ด่าคือพอเราทําชั่วทําเสียไปอย่างนั้นมันเกิดบาปบาปก็คือความทุกข์คือเขาต่อยคืนตีคืนนอกจากนั้นเราเองนะ่ะนิพพยายนาเขามีความผิดอะไรทําไมไปด่าเขาไปตีเขาเราก็เสียใจอีกนี่มันไม่เป็นธรรมถ้ามันเป็นธรรมมีศีลข้อนี้ <c oughs> มันก็อยู่ด้วยกันปกติมีความสุขเพราะไม่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 วางไว้ที่ไหนใครก่อสงวนสมบัติภ่าจาฐานของของตัวเขาไม่ให้ไม่หยิบไม่ยกเอาไปเพราะถ้าหยิบยกเอาไปก็ผิดศีลถ้าคนมีศีลขอ้อนี้ประจําทุกหัวคนไปในประเทศในโลกมันจะสงบจะสบายขนาดไหน กลางวันทําการทํางานเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยหิวกลางคืนมาเสารักษาสิ่งของแต่ถึงกันนั้นมันโกมาป่นมาจี้มาขโมยเอาหนีเผลอไม่ได้บางทีหน่อยเผลอบางทีมันโลภมากมันโกมาจี้มาป่นออกไปมีคนไปเพจนี้มันทันสมัยหรือมันดีหรือถึงทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมันคลื่อล่าสมัยจริงๆหรือถ้าหากทำกันแบบนี้ จะมีความสุขไหมในครอบครัวเสือเมียในบ่ายเมื่อเสีอใจกันมีอะไรมาของคนนั้นเอาไปเสียคนนี้เอาไปเสียในบอกในขอกันตั้งแต่เชียงครอบครัวทถานั้นมันก็ยุ่งถ้าหากไปในประเทศชาติส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างไรตำรวจที่รักษาหน้าที่เดียวนี้ก็เรื่องเหล่านี้อะเหลคนขา่าคนตีคนลักคนขโมย เขาจริงไหนมีตำรวจเจ้าหน้าที่เสียเงินของรัฐไปเท่าไรในปีหนึ่งหมึ่หาคนมารักษาคนชั่วคนเสียคนทําสมัยเนี่ยทํนสมัยสมัยใหม่มันเป็นแบบนั้นมันไม่มีวันสงบมันมีวันสบายให้กลางวันทำการทำงานแถบลม้มแถบตายกลางคืนมากเกากลุ่มรักษาสิ่งของจะมีกำลังกายไปทำได้อย่างไรเพราะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอถ้าหาก ในมีคนมารักมาโมยอย่างนั้นกลางวันไปทำงานกลางคืนกลับมาบ้านก็พักผอนหลับนอนสะดวกสบายกําลังกายมันก็มีทําการงานอะไรมันก็ก้าวหน้าเป็นไปเผื่อความเจริญไม่เป็นไปเผื่อความเสื่อมนีม่หมายถึงศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ควรรักษาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ การมีสนิจฉาจาย์การประพฤตินอกอกน อ, อกใจใครเล่าจะไม่หวงแหนขู่ครองค้องกันสามีประพฤติน อ, อกใจภรรยาไปมีแฟนใหม่ภรรยาก็จะเก็บใจขนาดไหนภรรยาไปประพฤติชั่วประพฤติเสียทั้งทั้งทีดเป็นขู่สมรสกันเป็นภรรยากันสามีจะเป็นอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ก็พอทราบได้เพราะเรา ฝากรักกันจ้ะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขความสบายบรรเทาทุกบำรุงสุขซึ่งกันและกันถ้าไปประพฤติแบบนั้นมันนอกฝั่งนอกฝานอกฤทธิ์นอ ก, นอ ก, นอกรอยแล้วมันจะมีความสงบระงับให้อย่างไรเขาทําเข้าเราก็เสียใจเราไปทําเข้าทําไมไม่ได้จิตถึงจิต ถ, ถึงใจของเขาถ้าหาก ครอบครัวใดกับพืชชั่วปราะพืชเสียอย่างนั้นไม่มีวันเจริญเยอะกว่าหย่าร้างกันเยอะกว่าฆ่ากันตายตามหน้าหนังซื้อพิมพ์เคยได้ยินบางที่ก่อตัดอวยัยวะไปทิ้งเคยได้ยินเขาพูดกันเพราะความหวงแหนนี่การประพฤตินอกใจก็เป็นภัยอันตรายอันหนึ่งสร้างความเดือดร้อน วนปั่นให้แจขอบครัวในใจสร้างความสงบสุขมาให้ศีนข้อนี้จะเป็นของคือของลาสมัยหรือหากยังทำสมัยอยู่การพูดปดก็เหมือนกันพูดปวดนั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ก็ยังพูดกันพูดธรรมดาหลอกลวงเล่นกันก็คอยยังช่วถ้าหากพูดเพื่อการต่มตุนกัน มันก็ไปกันใหญ่ทำความเสียหายให้แกคนที่เชื่อถือนั้นมากมายทางกฎหมายจึงมีการจับโทษกันในเรื่องเหล่านี้จุลาก็เหมือนกันอยู่ธรรมดามมนก็บ่านอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นพอเดินจุลาเข้าเอาใหญ่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรสติเพอเสียไป ท่านจึงห้ามเอาไว้นี่คือศีลถ้าหาคนรักษา <c oughs> ปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ไม่มีการขาดจีกันไม่มีการกการักฉกกันไม่มีการประพฤตินอกจิตนอกใจกันไม่มีการหลอกลวงกันกผูดตามสัด ต, ตามจริงไม่มีการดื่มสุรา ทะเาะเบาแหว่งกันมันจะเป็นอย่างไรโลกอันนี้มันจะทันสมัยหรือมันจะคืบควนพินิจเจริญนะถ้าศีลมันคืบมันล่าสมัยมันไม่เป็นไปเผื่อความถูกความเจริญแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีทําไมยังมีผู้นิยมชมชอบตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาคนเหล่านั้นเขาโง่เขาล่าสมัยกันหมดหรือไม่ คนดีทั้งนั้นอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านรักษาศีลท่านก็ไม่ได้ไปทํามาหาชีนค่าขายอะไรก็มีคนมาให้มาบูชาเพราะเหตุถือว่าท่านเป็นคนดีถ้าไปประพฤติชั่วประพฤติเสียถึงจะมีผ่าลึงเหลืองห่มคลองอยู่บ็าตามเขาก็ไม่เหลื่อมใส่ศรัทธาเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่มีธรรมมีวินยัยประพฤติไปเลวทรามต่างๆ่นี่เขาดูถูกมินิ น, นทาอย่างนั้น ถ้าหากศีลมันไม่ทำสมัยทำไมยิม่งถือกันเลื่อมใสกันยินดีกันไม่มีท่านทั้งที่ไม่มีกฎหมายบ่งบอกว่าใครไม่ถือศีลไม่เชื่อฟังำคาคาสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะได้รับโทษจำคุกหรือประหารชีวิตไม่มีแล้วแต่คนใดที่จะเรื่อมใส่ศรัทธาถือกันแต่ถึงกระนั้นก็ยัง อย่างยืนมาถึงพวกเรากฎหมายสมัยใหม่คนที่ทันสมัยตั้งขึ้นเห็นไหมล่ะพอรัฐบาล น, นั่นขึ้นมาก่อนเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ข อ, อนั่นไหม่ดีพ อ, อนี้ไหม่สมควรไม่กี่เดือนกี่ปีเปลี่ยนอยู่เรื่อยน่นมันทันสมัยไหมสินที่บัญญัติมาตั้งสองพันหร้อกว่าปีแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอยู่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 อยากทำอะไรก็ไปทำแต่ทำไปเดียวเดียวยังไม่ได้อะไรยังไม่เป็นไปให้ทอดทิ้งอย่างนั้นโลกทั่วไปเขานิยมเหลื่อมใสไหมหากว่าสมาธิมันไม่ดีไม่มีคุณค่ามีหมายถึงสมาธินอกสมาธิในคือเรื่องจิตใจหนักแน่นในขอวัดปฏิบัติในการดัด แปลงแก่ไขยิเหลียนตันหาออกจากใจนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญภายในสมาธิของนักปฏิบัติที่ท่านพูดโทมาด่านภาวนาด่านภายในนั้นหมายถึงคณิกะอุปจาระอัปปนานี่เป็นสมาธิที่มีตามสําหรับตาราที่ท่านกล่าวเอาไว้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็ออกไปจากใจคือผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งมั่นแต่ทำบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลมหายใจก่าตามตั้งใจมั่นทำกันอยู่นั้นเมื่อไม่เกิดผลเมื่อไรจะไม่ยอมปล่อยวางละทิ้งการทำของตัวทำอยู่นั้นผลที่สุดทำไปในหยุดจิตก็จะสงบทำมันสงบสงบชั่วระยะ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 เขียนใจนั้นก็ไม่ถูกคนที่เขียนตหรับตําราทางศาสนาทางธรรมะโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นในใจผู้เขียนนั้นจะเขียนละเอียดแยบทายคนที่เคยฝึกเคยปฏิบัติามาแล้วอ่านจะถอยใจว่าอันนี้ทันได้มาจากจิตจากใจของท่านเขียนไม่ได้หยิบยืมออกมาจากําหรับตาําราหรือลมปากของคนอื่น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 มันกดซื้อขายอะไรไม่ได้เพราะมีแต่บัญชีตัวเงินไม่มีมีควา ม, มรู้ที่เรารู้เราพอใจเรื่องธรรมะจากการศึกษาจากํำหรับตำลากว่าทํานองเดียวกันทั้งที่รู้เรียนมานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาบาลียนต่างๆจบมาแต่ศีลสมาธิ ป, ปัญญาจริงจังมีไหมมันไม่มีในใจถ้ามันมีในใจคนเหล่านั้นจะมีความฝุ่ความสบาย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 ไม่สุกไม่สบายไม่สงบให้แต่นั้นการประพืชปฏิบัติธรรมะนั้นท่านจริงให้เป็นโอปนณียโกน้อมเข้ามาพิจารณาภายในดูกายดูใจของตัวให้ทั่วให้ถึงถ้าหากเรามาวกดูกายดูใจของตัวมาทินิทพิจรารณาหาความจริงในนี้ เมื่อเราเห็นของจริงในตัวของเราเท่านั้นโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเอาไว้มีริความอายในใจอดตะปะความกลัวต่อชั่วต่างๆในต่อเมืงคับบัญชามันเป็นขึ้นมาเองเมื่อมีความอายบาปกลัวบาปแล้วศีลมันก็ไม่จําเป็นที่จะยากเย็นอะไรในการรักษานี่มันไม่มีอะไรในจิตในใจมันจึงมีกฎหมาย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 เขามีเครื่องประดับ